กรรมใดทำให้พระราชามีความชอบธรรมในการมีชายามากถามอยากทราบด้วยว่ามีเหตุผลคนใดในหลักกรรมวิบากที่ทำให้พระราชาทั้งหลายมีความชอบธรรมในการครองมาเหสีหลายองค์พร้อมนางสนมเป็นสิบเป็นร้อย ทุกอย่างเป็นไปด้วยความถูกต้องตามธรรมชาติกรรมวิบากหรือว่าเป็นเพียงความลำเอียงของมนุษย์ด้วยกันที่ยกอาภิสิทธิพิเศษให้พระราชาตอบเพื่อให้ยอมรับได้ง่ายขึ้นก่อนอื่นลองมองสิ่งที่เห็นด้วยตาเปล่าได้นะครับคุณรู้ว่าโลกนี้มีคนบางคนทำงานมากกว่าใครอื่น แบกภาระมากกว่าใครอื่นเสียสละเพื่อส่วนรวมมากกว่าใครอื่นและหากคุณปราบปลื้มในน้ำใจครุณามหาศาลของเขาเป็นล้นพ้นคุณย่อมไม่สงสัยไม่รู้สึกคัดค้านหากบอกว่าหลังจากตายจากโลกนี้ไปแล้วสิ่งที่เขาจะได้รับเป็นผลตอบแทนคือนางฟ้าสักหมื่นองค์หากสัทธาก ร, รมวิบากจริง คุต้องมองด้วยใจเป็นกลางว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วทำมากได้มากทำน้อยได้น้อยคำถามที่อ่านมีตามมาก็คือถ้าทำดีเกินธรรมดาแล้วจะได้อะไรที่ดีเกินธรรมดาคำตอบคือได้ในสิ่งที่มนุษย์ชอบใจและมีคุณสมบัติเลอเลิศตลอดจนมีจำนวนมากกว่าผู้อื่น ถาอีกว่าเมื่อใดควรจะได้รับรางวัลคำตอบคือถ้าไม่เหมาะจะได้รับในชาติปัจจุบันก็ควรเหมารวบยอดทีเดียวในชาติถัดๆไปอาจจะเพื่ออยู่ในฐานะอันไม่เป็นที่คอรหาแล้วทุกคนพร้อมใจกันยอมรับแล้วอย่างเช่นฐานะของพระราชาในเกือบทุกท้องถิ่นเกือบทุกยุคทุกสมัย ประชาชนทั่วไปพร้อมใจกันรู้สึกว่าเหล่าพระองค์น่าจะมีบาทบริจาริกามากกว่าหนึ่งและบาทบริจาริกาแต่ละนางสมควรจะเลอเลิอดเกินพันยาของชายทั้งแผ่นดินผู้หญิงที่เหมาะจะเป็นบาทบริจาริกาเหล่านั้นมาจากไหน ก็มาจากเหล่ามหาชนที่พระราชาเคยช่วยเหลือเกื้อกูลไว้ในอดีตนั่นเองส่วนจะอยู่ในฐานะมเหสีหรือนางสนมก็ขึ้นอยู่กับกรรมที่เหมาะสมของพวกนางเองหากเคยร่วมเรียงเคียงหมอนกันมาเคยประกอบบุญด้วยใจยินดีร่วมกันมีใจเสมอกันในศรัทธาศีลจาคะและปัญญามีโอกาสตอบแทนคุณ ผลาดกันเกื้อกูลตลอดจนมีใจไปในทางเดียวกันอธิษฐานให้ได้เป็นคู่กันเมื่อศพจังหวะได้เสวยพบมนุษย์ที่เป็นไทยในตนเองร่วมกันหญิงนั้นจะเป็นมาเหสีเมื่อศบจังหวะได้เสวยพบมนุษย์ที่เป็นไทย ไทยในที่นี้คือไม่ใช่คนไทยแต่เป็นคำว่าไทยที่แปลว่าอิสระนะครับเมื่อศบจังหวะได้สวยพบมนุษย์ที่เป็นไทยในตนเองร่วมกันยิงนั้นจะเป็นมเหสีและเป็นที่เสนอหาปานดวงฤทัยของพระราชาตำแหน่งมเหสีเป็นที่เชิดหน้าชูตาได้นางเคียงราชาหรือเป็นรองก็เพียงราชาอาจเป็นทิดาเจ้าเมืองอื่นซึ่งมีศักดิ์เสมอกัน หรืออาจเป็นหญิงมีสกุลธรรมดาที่ถูกยกขึ้นเทียบเกียรติภูมิราชวงศ์หากเคยได้รับความช่วยเหลือมีใจกระตันยูมีความเคารพรักบริสุทธิ์แต่ไม่เคยมีโอกาสร่วมประกอบบุญอย่างใกล้ชิดไม่เสมอกันในศรัทธาศีลจาระและปัญญาไม่มีโอกาสตอบแทนคุณอย่างสมน้ำสมเนื้อ แต่มีใจปรารถนาติดสอยห้อยตามไปรับใช้ในปรโลกเมื่อศพจังหวะต้องเสวยพบบริวารหญิงนั้นจะเป็นสนมเอกเพราะเป็นที่โปรดปรานยิ่งของพระราชาตําแหน่งสนมเอกเกิดจากการพระราชทานเครื่องยศอาศัยความพอพระทัยเป็นสําคัญหากเคยได้รับความช่วยเหลือไม่เคยได้ร่วมประกอบบุญด้วยกัน อ่อนด้วยศรัทธาศีลจาคะและปัญญาคิดเอาแต่ได้ไม่หาโอกาสตอบแทนคุณแม้แต่น้อยเมื่อสบจังหวะต้องสวยพบบริวารหญิงนั้นจะเป็นสนมสามัญไม่เป็นที่โปรดปรานของพระราชาตำแหน่งสนมไม่จาเป็นต้องเกิดจากการคัดเลือกของพระราชาเสมอไปสุลต่านหลายองค์ที่มีสนมเป็นร้อยเป็นพันนั้น อาจไม่เคยแม้แต่มองหน้าพระสนมบางนางชัดๆสักครั้งเดียวสำหรับมเหสีและสนมเอกนั้นเกือบร้อยทั้งร้อยต้องเคยมีความผูกกายหรือผูกใจกับพระราชามาก่อนแต่สำหรับสนมสามัญอาจเป็นหญิงทั่วไปที่เคยทำทานรักษาศีลพอจะเข้ามาอยู่ในวัง ถ้าว่าเป็นผู้อ่อนในบารมีด้านกตัญญูกะตะเวทีจึงอยู่ในฐานะผู้รับใช้มากกว่าผู้ใกล้ชิดและกรณีของพระราชาที่มีบุญยิ่งใหญ่จริงๆสมบูรณ์ด้วยพระราชอำนาจและรูปโฉมผิดสามัญมนุษย์ก็มักมีคู่บุญที่รูปโฉมเกินสตรีธรรมดาเช่นกันอันนี้ต้องคำนึงด้วย ว่าเมื่อหญิงใดใจบุญเสมอผู้สมควรเป็นหมายเล็กหนึ่งของแผ่นดินผลยอมได้เกิดเป็นหญิงผู้เลิศเหนือนางใดในแผ่นดินไปด้วยแม้เป็นพระราชาและแม้มีบาดบริจาริกามหาศาลก็ใช่จะเป็นเครื่องประกันความสุขเสมอไปประวัติศาสตร์บอกไว้ในอดีตมีพระราชาจำนวนมากได้รับความเดือดร้อนพระไทย จากบรรดามเหสีและสนมนางในด้วยเรื่องราวโลกโลกไม่ค่อยจะแตกต่างจากความเร่าร้อนของปุถุชนผู้มีเมียมากสักเท่าใดกรรมอันเป็นเครื่องกาหนดให้พระราชาอยู่สุขตามอันตรภาพกับบรรดาบาทบริจาริกาก็คือการที่เคยช่วยเหลือเกื้อกูลทางธรรมะทำให้ศรัทธากรรมวิบากทำให้รู้ทางไปดี